พระองค์ทรงยอมรับคำบริภาทเหล่านั้นทั้งหมดและทรงแปลความหมายอธิบายใหม่ให้เป็นเรื่องที่ดีงามเช่นกรณีของเวรัญชพรามและสีหาเสนาบดีผู้รับแผนมาจากนิโครนทนาตบุตรแม้ในด้านการสอนหลักธรรมทั่วไปพระองค์ก็ทรงรับเอาคำศัพที่มีใช้อยู่แต่เดิมในลัฐที่ศาสนาเก่ามาใช้แต่ทรงกาหนดความหมายให้ใหม่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 ซึ่งเป็นคำเนร้อละที่ศาสนาเดิมก็มีใช้ในพระพุทธศาสนาด้วยทั้งสิน้นแต่มีความหมายต่างออกไปเป็นอย่างอื่น